ด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงได้ชื่อว่าอัญชลีกระนิโยทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายไปแปลอัญชลีกระนิโยไปเข้าข้างตัวเองพระสงฆ์เป็นผู้ควรรับการรับไหวของคนอื่นอันนั้นเข้าใจผิดเลยทำให้ตัวเองนี่เป็นผู้วิเศษไปสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัตบิตรงต่อคำสอนของพระพุทธองค์ อุชุปติปันโนปฏิบัติตรงตรงต่อมากผลนิพพานญายะปติปันโนปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติชอบยิ่งยะทิทังจั ต, ตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสบุขคลาเอสะภควโตสาวกสังโคนี่คือสงสาวกของพระพุทธเจ้า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 เป็นผู้มีมือไม้อ่อน